ก่อนหลวงพ่อนะสามสี่เดือนถึงไปหาครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งต้องไปทาการบ้านก่อนทาการบ้านมีการบ้านแล้วค่อยไปส่งช่วงไหนไปเรียนนะแล้วก็วเว้นเอาเวลาไปภาวนารู้สึกพวกเราฝ้าวัด น, นะ <c oughs> <c oughs> เจอเรื่อยๆต้องเวลาภาวนาให้เยอะๆใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากๆนะยุ่งกับคนอื่นน้อยๆดูตัวเอง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 เราต้องหักเอาค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้ไปนั้นใช้เวลาส่วนมากที่จะเรียนรู้ตัวเองลองผิดลองถูกอยู่แต่ส่วนมากผิดนะไม่ถูกทีเลยไม่มีลองถูกทีลองทีไรผิดทุกทีแหละจนได้หลักอย่างหนึ่งนะว่าการภาวนาเนี่ยถ้าทำเมื่อไหร่ก็ผิดเมื่อนั้นตรงที่มันถูกจริงๆปิ๊งจริงๆนะตรงที่ไม่ได้ทำนั่นแหละ ไม่ได้ทําแต่สติสมาธิปัญญามันทําของมันขึ้นมาเองเงี่นเราไม่รู้หรอกว่านาทีไหนขณะจิตไหนที่จิตมันจะหยุดความปรุงแต่งหนะ้าที่เราต้องรู้ตลอดเวลานะเท่าที่ทําได้เลยเวลาที่เราทํามาหากินต้องใช้ความคิดเนี่ยมันดูไม่ได้ดังนั้นต้องยกเว้นไหมในเวลาที่เหลือให้คอยรู้ทันจิตใจของเราตลอดไปขยับเยื่นเคลื่อนไหวรู้น เป็นสุขเป็นทุกข์ก็คอยรู้เอารู้เ อ, อย่าอย่าละเลยเราไม่รู้เลยนาะทีทองจะเกิดขึ้นเมื่อไหรต้องเตรียมพร้อมเสมอแต่ว่าภาพเพียรดูถ้าเป็นแทบตายนะไม่เกิดหรอกไอตอนที่มันจะเกิดมันไม่ได้ตั้งใจหลวงพ่อเลยเขียนไว้ในวิถีเล่มสองนะเรื่องโลภะเจตนาความตั้งใจที่เจือด้วยโลภะอยากปฏิบัติอนะโลภะเจตนาเป็นชื่อของกรรมนะ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 แทนที่เราจะคิดว่าการปฏิบัติคือการเรียนรู้ตัวเองนะจึงเข้าใจตัวเองแจ่มแจ้งแล้วปล่อยทิ้งนะไม่ใช่เอาไว้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะเอาแต่ภาวนาเพื่อจะวางแต่ไม่ใช่น้อมใจให้วางนะอยู่ๆก็น้อมใจเข้าหาความว่างนี่ใช้ไม่ได้เลยในฝ่ายเถรวาสก็ไม่ได้สอนนะนี่น้อมเข้าหาความว่างพวกเรารุ่นหลังๆชักเป็นเยอะแล้วหลวงพ่อเห็นภาวนาบางทีเยอะแยะเลยนะภาวนามุ่งไปหาความว่าง อยไปหามานันนะอย่างฝ่ายเทรวาสเราสอนให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไม่มีสอนให้รู้สุญญาตาฝ่ายมหายานเองหลวงพาอก็เพิ่งไปอ่านเจอพระสูตรมีพระจีนท่านส่งพระสูตรมหายานใ ห, ให้อ่านสนุกดีเหมือนกันของเขาก็มีดีเหมือนกันนะขเขาพูดถึงพระองค์หนึ่งชื่อพระธรรมมาแต่ว่าก่อนพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นสมัยพุทธกาลก่อนๆพระองค์หนึ่งชื่อพระธรรมา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 บอกว่ามิจฉาทิฏฐิตัวนี้เรียกว่าสุญญาตาทิฏฐิคัมภีร์เถรวาสไม่มีนะคำนี้สุญญาตาทิฏฐิแต่พวกเรารุ่นนี้เริ่มมีสุญญาตาทิฏฐิเรียนรู้อ่านสุญญาตาส่วนให ญ, ญ่อ่านของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วไปแปลผิดอาจารย์พุทธทาสไม่ได้สอนให้ทําสุญญาตานะอาจารย์พุทธทาสสอนให้ทําอานาปนสตินะคนละเรื่องเลยนะ หลวงปู่ดุลก็ไม่ได้สอนให้ดูสุญญตาหลวงปู่ดุลสอนให้ดูจิตบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคงั้นคมภีร์ทั้งฝ่ายเทราวาสนะฝ่ายมหายานน่ยไม่ได้สอนให้ดูสุญญตาสักคมภีร์เดียวเลยเนี่ยเราต้องคอยนะสร้างบารมีของเทราวาสก็สร้างบารมีสิอย่างมหายานมีบารมีหอย่างมันหล่นหลนไปบ้างนะเดินทางไกลมันเลยตกไปบ้างในเรือ6อย่าง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 เออดีที่รู้ทันนะรู้ไม่ทันจะแย่เลยภาวนาจิตมันไม่ได้ต้องการพ้นทุกข์มันต้องการความรู้ไม่ได้ต้องการปัญญาด้วยนะความรู้กับปัญญาพร่านกันนะมันต้องการความรู้เพราะงั้นพอมันเรียนๆไปภาวนาไปพอเข้าใจตรงนี้นะรู้แล้วเดินต่อไปนี่จะเข้ามาผล น, นิพพานได้แมันจะถอยละถอยแล้วมาหาเส้นทางอีกเส้นหนึ่งหาใหม่หาหาไปนะ เ, ออเจอทางนี้ไปไปได้ละ พอไปได้แค่นี้นิดๆหน่อยนะพอรู้ทิศทางแล้วเลิกละเอาใหม่ถอยกลับใหม่แล้วจิตมันจะเวียนอยู่อย่างงั้นไม่เฉพาะคนเดียวนะมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยบ่อ ย, ยิ้มอะไหบ่อยจิตหน้ามันบังคับมันไม่ได้ถ้ารู้ทันมันก็พามันเรียนรู้ไปจนมันเห็นทุก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 คิตปั๊บก็จะรู้อืแต่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเพอมากกว่าที่จะรู้ตัวนะครับจิตตั้งมั่นมากขึ้นอืแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสได้คลุกครีกับหมู่คณะตรงนั้นจะฟุ้งไปมากอืครับที่พูดมาเป็นธรรมะทั้งหมดเลยถูกต้องทั้งหมดเลยอย่างเช่นจิตรู้สึกตัวเนี่ยมีน้อยนะจิตหลงมีเยอะหลงนานรู้น้อยรู้แวบหนึ่งหลงนานนาน จิตบังคับไม่ได้นถ้าไปคลุกคลีกับหมู่คณะจิตก็เสียครับมมันต้องคิดมันต้องพูดต้องเล่นจิตเสียมันไม่คลุกคลีแต่ไม่คลุกคลีไม่ใช่แปลว่าหนีเขา้าถ้ำไม่คลุกคลีหมายถึงว่ามีธุระจะพูดก็พูดแต่พูดไปเราก็รู้ทันใจของเราไปครับที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วแต่ว่ามานั่งหน้าหลวงพ่อมันเกินจริงนิดนึงครับมันแข็งเกินจริงไป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 ก็รู้สึกว่ามันมีกําลังมากขึ้นแต่ว่าพอเมื่อวานก็เห็นว่ามันก็เสื่อมได้จิตมีโมหะด้วยไหมวันนี้มีโมหะด้วยจิตมีโมหะเมื่อวานก็ตั้งแต่เมื่อวานเออมีโมหารู้ว่ามีโมหะไปะคุณตรงเห็นเห็นว่าความสัมพันธ์มันเป็นกระจกเงาให้มองย้อนหาตัวเองครับอะไรนะอะไรเป็นกระจกก็ความสัมพันธ์เวลาพูดคุยกับคนนะครับจริงๆริผัสสะ ผัสสะมันทําให้เกิดการทํางานของจิตใจถ้าทํางานแล้วไม่มีสติอกูศลก็เกิดทํางานไปแล้วเรามีสติรู้ทันอย่างเราพูดคุยกับคนเนี้ยจิตเราเกิดกิเลสถ้าเรามีสติรู้มันได้ปัญญาฉะนั้นเราไม่หนีผัสสะแต่ว่าเราก็ต้องมีผัสสะในขอบเขต ท, ที่ที่รับไหวที่รับไหวอย่างเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยเนี้ยไม่กลัวผัสสะเลยไม่ได้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 เผื่อยาวบ้างแล้วก็สั้นบ้างเป็ น, นช่วงๆครับดีนะที่ภาวนาได้หลักแล้วใช่ได้ดูไปเถอะหลวงพ่อไปหัดจากหลวงปู่สามเดือนแรกยังสู้พวกเราตอนนี้ไม่ได้นะสามเดือนแรกยังภาวนาสู้พวกเราตอนนี้ไม่ได้เลยอ่ะคุณมนหลวงพ่อขาวมนรู้สึกว่ามนมนรู้ห่างๆมากขึ้นนะคะเข้าไปคลุกข้างในน้อยลงแต่ก็ยังมีตึงตึงไว้หน่ น, นั่นแหละนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละ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 ใจถึงถึงนะมันเพิ่งเป็นไม่นานนิ่งเพิ่งเป็นอาทิตย์นิ่งสองอาทิตยเ์เพิ่งเมื่อเมื่อจะสิ้นปีเนี่นะคะ่ะเออเนี่ยนนะเพิ่งเป็นไม่กี่วันนิ่งวันนี้มีโมหะแต่ก็รู้ว่าจิตมันมีความตั้งมั่นมากขึ้นอืใช่มีโมหะใช่ควาคุณมนนะไมันลืมลืมไปกลัวมากไปแล้วมันไปเกร็งเกร็งควาคุณวุฒิไม่มีปัญหาอะไร ทันิมีบททดสอบของอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ก็ผ่านไปตรงที่ว่าเราก็ไม่ทุสิลเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกใจมันว่างๆก็เลยจะดูว่ามันจะว่างไปสักเท่าไหร่กันก็ปรากฏ ว, ว่าในอีกอาทิตย์ในที่วันสองวันถัดมาก่อนหน้าที่จะมาหลวงพ่อเนะี่ยะได้คุยกับคนที่มีอัตราสูงมากแล้วก็รู้สึกว่า เรามีโมหะเต็มไปหมดแล้วโทสะเนี่ยเต็มมากแล้วก็เลยถามตัวเองตอนที่จะมาหาหลวงพ่อว่ามันเกิดจากเขาหรือเกิดจากตัวเราที่มีโมหะอยู่นี่ก็เลยรู้ว่ามันเกิดจากตัวเราแล้วก็ดับมันซะแค่นั้นเองดีดีอส่งมัครขึ้นแรโวอยู่เนี่ยรู้สึกช่วงช่วงนี้เขาเหนื่อยอะค่ะแล้วก็มันเหมือนกับมันอยากจะไหลกระจายออกไปอะค่ะหลงๆอะไรอยากจะหลงแล้แต่ไม่มากหรอใช้ได้ ค่ะวโดยโดยปกติเขาก็ชอบทําคือถ้าอยู่คนเดียวก็ปฏิบัติชอบปฏิบัติแนละ้วบางทีนอนอยู่เฉยๆยังจิตเขาคลิ๊กแบบเรารู้ว่าเขาจะไปทำค่ะเป็นอยู่ไม่หายไ ม, ไ, มไม่ไม่ลืมปฏิบัติไม่ยอมลืมไม่ไม่ไม่เป็นไรตอนนี้ใช้ได้แล้วมันเกินจริงอยู่นิดหน่อย <c oughs> คือการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นนะมันต้องเกินจริงนิดๆถ้าเบื้องต้นกะจะทําทให้พอดีเป๊ะๆแล้วมันจะหย่อนไป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 เมื่อไรทําเมื่อนั้นไม่พอดีหรอกเอาต้อมส่งกันบ้านแล้วครับที่ว่าที่ว่าเริ่มรู้ตัวว่าไม่ได้ไม่ได้สงใจจะไปพ้นทุกข์จริงๆอะไรนะไม่ได้ตั้งใจจะพ้นทุกข์จริงๆในการภาวนา<อ>ไปหาความรู้เฉยๆดีกันบ้านนะที่ส่งครับอืมอ่าเบอร์หกเอาไหมไม่เอาก็ส่งต่ อ, ตอมาใหม่คะ่ะหลวงพ่ อ, อามาใหม่ไม่เป็นไรอ่ะ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 ถ้ารู้สภาวะเป็นไงอย่างกังวลรั่วกังวลเออดีนะสอบผ่านแล้สอบผ่านง่ายนะไม่ยากหรอกคือเหมือนกับเวลาอยู่ท hmm. like ี่บ้านเหมือนเป็นโรคขี้กลัวค่ะว่าอ๋อเวลาหลวงพ่อบอกว่าอ like ันนี้ผิดเราก็จะแบบเราเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นไม่ต้องกลัวหรอกเป็นเป็นอะไรเป็นหมดแล้วก็เป็นทุกคนนะเมื่อไรถูกจริงจริงก็บรรู้มรรคผลนิพพานไปแล้วล่ะไม่ต้องกลัวผิดนะภาวนายังไงก็ผิด แลมันผิดสุดตรงอยู่สองข้างอ่ะนะไม่เผลอไปก็บังคับไว้ก็มีอยู่แค่นี้เองนี่รายละเอียดเผลอไปไหนเผลอไปหลงโลกเลยหลงไปแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่เห็นจิตใจถูกหลอกลวงไปพวกหนึ่งอยากดีเข้ากรรมฐานเข้าคอร์สบังคับกายบังคับใจภูมิอกภูมิใจอิ่มอกอิ่มใจนะก็เผลอเหมือนกันหน้าไปเผลอเพ่งไว้เผลอบังคับตัวเอง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 เออทำอย่างนี้ก็ผิดแฮะลองอย่างอื่นดูนี่มันอดลองไม่ได้หรอกลองลองไปอา้าวผิดอีกแล้วก็ลองอีกลองไปลองมาในที่สุดจิตมันสรุปเลยอะไรก็ผิดหมดเลยปรุงเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นน่ะถ้าให้มันเรียนไปจนมันขยาดเลยช่วงนี้รู้สึกว่ามันขี้เกียจอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อ ท, ทั้งทั้ที่พอแต่พอรู้ซักพักมันก็กลับมาเพ่งอีกอะค่ะแล้วก็บางทีรู้สึกว่า ทเจ้าค่ะหลวงพ่อขี้เกียจให้รู้ว่าขี้เกียจนะท้อให้รู้ว่าท้อท้อมันทอได้ทุกคนแหละนี่ครูบาเมื่อก่อนอยู่ภาวนาอยู่บุญญาวาดนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเนี่ยก็ภาวนาดีต่มาไปเห็นจิตข้างในมันไหวๆพวกเราเคยเห็นไหมมันไหวยิบเยบยบเยียบอยู่ข้างในเนี่ยไปสนใจดู แล้วเสร็จแล้วพักพวกมาถามหลวงพ่อนะว่าตอนนี้อาไปพานาบุญญาวานานแล้วไม่เคยออกมาหาหลวงอาเลยนะตอนนี้จิตเป็นยังไงบอกจิตไม่ได้เรื่องหรอกไปหลงไปดูไหวๆ อ, อยู่ไหลเข้าไปดูอา น, นึกว่าดูไม่ชัดนะดูใหญ่เพ่งหนักกว่าเก่าอีกนะห <c oughs> ลวงพ่อบอกมาหาหลวงพ่อนะตอนหลังหลวงพ่อบอกไม่ได้หรอกอย่างงั้นไม่ได้นะไอ้ที่ทาอยู่มันผิดให้ไปดู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 หลวงพ่อไม่ได้ให้เลิกปฏิบัติซะห น, น่อยอยากให้จงใจปฏิบัติอ่ะนี่ไม่สื่อความหมายกันกลายเป็นเลิกปฏิบัติใจเลยฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านเลยท้อเลยนะท้อถ้า พ, พวกมาบอกหลวงพ่อบอกตอนนี้อ้ามันไม่ภาวนาแล้วอ้ามันไปทําปลูกสวนท้ออยู่ <c oughs> หลวงพ่อก็โวยวายทำไมมันไม่ภาวนาทําไมมันไปปลูกสวนท้อ นึกว่าไปปลูกลูกท้อจริงๆนะเห็นชอบปลูกต้นไม้ <laughs> พระพุงบอกไม่ใช่ท้อแท้ท้อแท้ทแทเวลาภาวนานะหมดอดท้อแท้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อเคยท้อแท้ทีหนึ่งนะทีเดียวเลยภาว น, นาอยู่สวนโพนะบวชแล้วนะโโหตะลุมบอลทั้งวันทั้งคืนเลยนะดูจิตเนี่ยหมุนจี๋จี๋ติ้วติวต้เงี้ยค้นคว้าพิจารณาอยู่ตลอดเลย ทําไปทําไปจิตวางปั๊บว่างว่ า, วาเออตรงนี้ถ้าจะใช่แล้วอยู่ไปหลายๆวันไม่ใช่อีกละ ม, มัวมัวได้อีกนี่ผ่านเกณ น, นะ ม, มัวมัวได้อีกทําไปอย่างง้นก็ผิดทําไปอย่างนี้ก็ผิดนะมันอดไม่ได้หรอกที่จะทําอะถึงจุดหนึ่งโอ้ทาไงก็ไม่ได้วาสนาคงได้แค่นี้แล้วชาตินี้ได้แค่นี้ก็แค่นี้ละก็แค่รู้ไปสบายสบายท้อแล้วก็ไม่เลิกนะ ท้อแล้วก็ออช่างมันเถอะไม่หวังฝนแล้พอไม่หวังฝลเราไม่ท้อนะแต่ไม่เลิกนะ อ, อถ้ายังหวังผลอยู่ตะกายกระเดกกระแดกกระแดกไม่ได้มาแล้วท้อเนี่ยถ้าไม่หวังผลเราไม่ท้อหรอกแต่ว่าไม่เลิกอย่ขี้เกียจนะขี้เกียจเป็นข้ออ้างข้ออ้างของคนไม่รักตัวเองข <laughs> ี้เกียจปฏิบัติอา้าแปมส่งกันบ้าน วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรอะค่ะหลวงพ่อรู้ว่าวันอังคารที่มากราบหลวงพ่อในหลวงพ่อชมก็จิตมันก็ปลื้มไปนานนะคะแล้วหลังจากนั้นก็หลงไปกับเรื่องการเมืองซะมากอะค่ะอืก็จะแล้วนี้แหละขณะนี้แหละคะ่ะรู้ตัวยังรู้ตัวอีกแล้วคะ่ะรู้ตัวอีกแล้วเหรอมันเป็นอีกแล้วอะค่ะหลวงพ่อเป็นอะไรมันปิติอีกแล้วอะค่ะเออให้รู้ทันนะ ไอ้ตัวนี้เกินให้รู้ทันนะปิติเนี่ยเป็นส่วนเกินละรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปว่ามันหรอกใจเราไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมเรามีปิติระพองออกมาโ <c oughs> ปง่ปงๆออกมา <c oughs> แล้วมันกระจายออกมาข้างนอก <c oughs> ให้รู้ทันว่าใจมันกระจายออกมาข้างนอกดูออกหรือยังค่ะ <c oughs> ดูออกแล้วให้รู้ว่ามันกระจาย <c oughs> ไม่ต้องดึงนะแค่รู้ว่ากระจาย <c oughs> แค่นั้นพอล <c oughs> อะส่งตอบไปพึ่งหัด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 เออต้องอย่างนี้ค่อยคลายออกละเหมือนจิตมันเล่นมายากลนะคะไอ้ที่แบบว่าเหรียญเดี๋ยวก็ออกมาจากตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเวลาปฏิบัติมันก็มีเหรียญอันหนึ่งทีนี้เราเหมือนกับแบบจะวางปล่อยสลัดออกไปมันก็กลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแบบจะไม่ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีเหรียญออกมาตลอดเวลา ดีแล้วนะยังมันยังไม่ลบเลิกรู้สึกไม่ใจมันเกินจริงทําไมมันเกินจริงเพราะมันยังรักที่จะปฏิบัติอยู่มันมันหวังผลนะ่ะอยากได้เร็วๆกลัวว่าเนิ่นช้าแล้วเสียเวลามากนะพออยากได้เร็วๆมันเลยแข็งแข็งขึ้นมามันทําให้ช้านะใจถึงถึงนะใจถึงถึงนง่ายยิ่งอยากยิ่งดิ้นยิ่ ง, ง, งช้าอ uh เดิมเดิมเดิมก็เคยปฏิบตัติหรือเคยฝึกมานะคะเคยมีความรู้สึกว่าที่เราเข้าไปรู้เข้าไปคิดเนี่ยเหมือนจิตเราเข้าไปรู้ไปเห็นกิเลสแต่เมื่อเมื่อเช้าเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าเอเอเราเห็นเราเห็นคิดเมื่อก่อนเคยแบบพอพอพอคิดเนี่ยมันก็เอ้ยเรามีเราเราเป็นรู้กิเลสโลภกิเลสห ล, ล, ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋นี้ไม่ใช่ก็คือว่าจิตมันเคลื่อนไหวอ่ะค่ะ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 มีตัวหนึ่งนิ่งๆแล้วเป็นคนดูอยู่เรื่อยๆรู้สึกไหมใช่ค่ะตัวนี้เกินขึ้นมาคือเมื่อเช้าเนี่ยจะเห็นว่าเอ๊ะสิ่งที่เราไปเคยมองว่าเราเคยมองจิตเนี่ยแต่นะขนาดจิตที่เราเห็นจิตเนี่ยคือเราไม่มันไม่ใช่จิตนะคะมันไม่ใช่จิตลเลยไม่รู้ว่าอะไรที่ไปเห็นมันยังไม่ใช่จิตน ะ, ะมันยังไม่ใช่จิตเห็นจิตแล้วเห็นอย่างอื่นเห็นอาการของจิต เห็นอารมณ์รือพวกเจตสิกเห็นอะไรพวกนี้ใจของเรามันยังไม่ตั้งมั่นตั้งไม่ถึงฐานของมันใจของเราเวลารู้อย่างรู้นอกๆ น, น ะ, ะใจมันกระจายออกไปรู้สึกไหมขณะเนี้ยใจมันกระจายไปให้รู้ทันว่าใจยังกระจายอยู่ดูออกไหมดูออกค่ะ <c oughs> คือตอนนี้เ<อ> <Samuel, Morning, S 1> นี่ยเหมือนเหมือนมันเหมือนกับ <c oughs> มีเราอยู่ในสภาพข้างนอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรู้สึกไหมเราไปอยู่ข้างนอกเราไม่เข้ามาข้างใน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 คือความันมันจะหมุนนะคะแต่เราอรู้จิตเราเราเรารู้สตินะคะว่า <Yeah. S 2> เราหมุนแล้วเราเกิดเกิดจิตที่กลัว <Yeah. S 2> เกิดทั้งโลภทั้งกลัวทั้งอยากปฏิบัติ mm hmm. ทั้งอยากผ่านอะไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. แล้วมันก็จะหมุนขึ้นเรื่อยๆมันก็กลัวขึ้นเรื่อยเราก็จะไปเห็นกิเลสที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. เราก็พอถึงจุดนะคะเรามันเหมือนกับว่าเราแพ้ละเราเราแบบเราลดเราถอยลงมาแล้วเราก็มาเดิน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 สถานานะที่ม<อ>าดูได้หลวกพ่อเลยเวลาแล้วอันนี้มนตะ์ท่าน